สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากพระธรรมสุภาษิตรครั้งที่สามสิบสามเรื่องความสั์ซื่อในชีวิตสมรสพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมสุภาษิตนะครับพระธรรมสุภาษิตบทที่ห้าข้อที่สิบห้าจนถึงข้อที่สิบเจ็ดสุภาษิตบทที่ห้าข้อสิบห้าถึงสิบเจ็ดโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้า จงดื่มน้ำจากถังเก็บน้ำของเจ้าดื่มน้ำไหลจากบ่อของเจ้าเองควรหรือที่จะให้น้ำพุของเจ้าไหลทร่ำเพื่อออกไปนอกบ้านและให้ทานน้ำนั้นไหลไปที่ลานเมืองจงให้มันเป็นของเจ้าแต่ผู้เดียวและมิใช่สำหรับคนแปลกหน้าด้วยเพียงครับพระธรรมสุภาษิตในวันนี้ ให้เราเห็นภาพเปรียบเทียบสองภาพด้วยกันอยู่ในข้อที่สิบห้าและอยู่ในข้อที่สิบหกภาพเปรียบเทียบแรกก็คือน้ําจากถังเก็บน้ําน้ําไหลจากบอ่อของเราอันนี้หมายถึงภรรยาครับภรรยานั้นเปรียบเสมือนกับเป็นน้ําจากถังถังเก็บน้ําน้ําจากบอ่อคําว่าถังเก็บน้ําและบอ่อก็เป็นสมบัติ ของเจ้าของภรรยานั้นจึงเป็นสมบัติของสามีเพราะฉะนั้นการดื่มน้ํานะครับจากถังเก็บน้ําการดื่มน้ําจากบ่อของตัวเองนั้นมีความหมายว่าให้เรามีความเพลิดเพลินนะครับมีความสนุกสนานมีการเติมเต็มความต้องการทางฝ่ายร่างกายของผู้ชายก็หมายถึงการเติมเต็มนะครับความต้องการทางเพศ ของผู้ชายซึ่งเป็นสามีที่ถูกต้องกับผู้หญิงที่เป็นภรรยาที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับทําให้เราเห็นถึงชีวิตสมรสความสัตย์ซื่อในชีวิตสมรสนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในบ้านของเราความหมายของทั้งหมดนี้หมายถึงให้เราชื่นชมกับคู่พระพรที่พระเจ้าประทานให้กับเราครับ ให้เราชื่นชมกับคู่พระพรที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั่นก็คือคู่สมรสนั่นเองน้ํานั้นผมจะอธิบายนะครับเป็นสิ่งที่ล้ําค่าในทะเลทรายและบ่อกเก็บน้ําก็เช่นเดียวกันครับเป็นสมบัติที่สําคัญที่สุดของครอบครัวในยุคพระกัมภีร์เดิมเนื่องจากว่าบ่อกเก็บน้ํานั้นใช้เลี้ยงชีวิตของทั้งคนและสัตว์เพราะเราต้องเข้าใจนะครับว่า ชีวิตของคนที่อยู่ในทะเลทรายที่เขาเป็นคนเลี้ยงสัตว์เร่ร่รอนเขาจะต้องมีบ่อเก็บน้ําครับเวลาที่เขาโยกย้ายไปที่ไหนบ่อเก็บน้ํานั้นมีความสําคัญมากเราจะเห็นได้ว่านับแต่อัพรหมเป็นต้นมานะครับอิสอักยาโคนะพวกนี้เขาดําเนินชีวิตอยู่ในทะเลทรายครับและบ่อเก็บน้ําหรือบ่อน้ําของเขาเนี่ยเป็นบ่อเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่า ใช้เลี้ยงครอบครัวใช้ทำรงนะครับดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อภรรยานั้นเป็นสมบัติที่ล้ำค่าเหมือนกับเป็นบ่อน้าก็ทำให้ภรรยานั้นเป็นเหมือนกับตัวหล่อเลี้ยงครอบครัวครับเป็นคนที่ทำความสะอาดเตรียมอาหารเป็นคนที่ดูแลลูกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับขณะที่เธอเป็นแม่บ้านผมอยากจะให้เกียรติกับภรรยานะครับ หลายๆท่านในหลายๆบ้านที่เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกเป็นแม่บ้านที่ทำความสะอาดบ้านนะครับหลายหลยคนเรียกตัวเองว่าเป็นอีแจวแต่เรากำลังทำสิ่งที่ดีที่สุดครับก็คือเป็นสมบัติที่ล้ำค่าของสามีแม้ว่าเราจะเป็นแม่บ้านก็ตามผู้หญิงบางคนเข้าใจผิดครับคิดว่าการเป็นแม่บ้านนั้นเป็นอาชีพที่แย่ที่สุดไม่จริงครับผมอยากจะบอกว่า เป็นอาชีพที่ดีที่สุดครับเพราะอะไรครับเป็นคนที่ดูแลครอบครัวเป็นคนที่ดูแลสามีดูแลลูกผมจะพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการขโมยน้ำจากบ่อน้ำคนอื่นนั้นถือว่าเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงซึ่งมีความหมายถึงการทำผิดประเวณีครับเมื่อผู้ชายคนใดทำผิดประเวณีกับภรรยาของคนอื่นเขากำลังทำลายครอบครัวของตัวเอง กำลังทำลายชีวิตของตัวเองกำลังก่ออาชญากรรมต่อสมาชิกในครอบครัวที่เขารักแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายแรงครับเพราะว่าพระกัมภีี์เตือนเราทั้งหลายซึ่งแต่งงานแล้วให้เรามีชีวิตอยู่กับคู่สมรสของเราอย่างสุขกายสบายใจและสัตย์ซื่อต่อสมรสนั้นจวบจนความตายจะมาถึงในกรรมปฏิญาณขณะแต่งงานนะครับเราบอกว่าเราจะสัตย์ซืต่อกันและกันจนกว่าความตายจะแยกเราทั้งสองออกจากกัน นครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราแต่งงานน่าเสียดายนะครับที่หลายหลาคนนั้นไม่ได้กล่าวคํานี้จึงมีเหตุที่เกิดคําว่า wow พิธีรีวาวพิธีรีวาวนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าแต่งงานซ้าหรือแต่งงานใหม่ครับแต่เป็นพิธีที่กล่าวคําปฏิญาณอีกครั้งหนึ่งนะครับการกล่าวคําปฏิญาณอีกครั้งหนึ่งหรือการกล่าวคําปฏิญาณหลายหลายครั้งนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดในขณะเดียวกันครับ เวลาที่เรากล่าวคำปฏิญาณ น, นั้นเรากล่าวคำปฏิญาณต่อเบื้องพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีพระเจ้านั้นทรงเป็นพยานเป็นพระเจ้าที่สร้างครอบครัวและตั้งครอบครัวไว้ให้เป็นพระพรกับทุกๆคนที่อยู่ในครอบครัวเพราะฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ในการสมรสเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับและทําให้บ้านมีความสุข เมื่อมีความสุขทางกายหรือความสุขทางเพศกับภรรยานะครับก็หมายความว่าคนคนนั้นเกิดความพึงพอใจเกิดความชื่นมื่นนะครับเกิดความสดชื่นนะครับจากการที่ได้มีชีวิตทางเพศที่ถูกต้องในฉบับภาษาอังกฤษอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับสามารถอ่านได้ความว่าจงชักซื่อต่อภรรยาของท่านเองและให้ความรักของท่าน กับเธอเพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับจงชัดซื่อต่อภรรยาของท่านเองและจงให้ความรักของท่านกับเธอเพียงผู้เดียวเท่านั้นในขณะที่เด็กๆที่เกิดกับผู้หญิงคนอื่นๆ น, นั้นจะทําร้ายเราและพวกเขาจะเป็นเหมือนกับคนแปลกหน้าดังนั้นพี่น้องครับความหมายของคาว่าน้าและบอกเก็บน้านั้นหมายถึงภรรยาคู่สมรสของเราซึ่งเป็นสมบัติที่ล้าค่าที่สุด ประการที่สองครับคาว่าน้าผูของเจ้าน้าผูของเจ้านั้นมีความหมายลึกซึ้งก็คือมีความหมายถึงความสามารถในการให้กำเนิดลูกของผู้ชายของผู้ที่เป็นสามีครับและคาว่าน้าผู้นั้นเป็นภาษาสละสลวยนุ่มนวลพูดถึงพลังทางเพศที่ให้กำเนิดลูกได้พูดให้ลึกขึ้นไปอีกก็คือว่าหมายถึงการให้กาเนิดลูกนะครับพลังทางเพศนี้ ก็คืออะไรครับก็คือสเปิร์มของผู้ชายนั่นเองน้ำผู้นะครับที่พุ่งขึ้นมาเป็นภาษาสละสสดวยที่พูดถึงพลังทางเพศที่ภาษาอัเรียกว่า procreation p r o c r e a t i o n นะครับ procreation นี่คือพลังทางเพศที่เป็นความหมายของคาว่าน้ำผู้ <c oughs> พี่น้องครับความเสื่อมของมนุษย์นั้น นะครับซึ่งเป็นความบาปอยู่ตรงที่ว่าผู้ชายนั้นสัมสอนทางเพศและผู้หญิงนั้นไม่ได้รักษาการสมรสให้ถูกต้องซึ่งก่อเกิดความเสียหายครับก็ก็เกิดความเสียหายใหญ่หลวงมากเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่พลังทางเพศถูกใช้ไปในทางที่ผิดถูกใช้ไปในทางการมีชีวิตนอกการสมรสที่ไม่ถูกต้องใช้กับหญิงแพทย์หยา ใช้กับคนที่อยู่นอกกฎหมายที่อยู่ตามท้องถนนนี่คือความหมายของข้อที่สิบหกนี้ก็คือควรหรือที่จะให้น้ําพุของเจ้าไหลเพื่อออกไปนอกบ้านไหลพุ่มเพื่อออกไปนอกบ้านนะครับไหลทานน้ําไหลไปที่ลานเมืองก็คือเป็นภาพของความสัมสันทางเพศที่ก่อให้เกิดความเสียหายนอกบ้านนํามาครับซึ่งความอับอายความอับยะดการเสริมเสียเกียรติ ความอับอายขายหน้าการเสรื่อมเสียเกียรติที่ผู้ชายคนนั้นหรือครอบครัวนั้นไม่มีวันกู้คืนขึ้นมาได้นะครับเป็นความเสื่อมเสียเกียรติที่ครอบครัวนั้นจะไม่มีวันกู้คืนได้อีกโดยสรุปครับในเช้า ว, วันนี้ก็คือพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าจงให้น้ำพุของเจ้าได้รับผ่นนะครับจงอยู่กับปัญญาที่เจ้าได้มาเมื่อหนุ่มนะครับและให้เกิดความพึงพอใจ ทางด้านเพศให้เกิดความสดชื่นในเรื่องของความรักให้เกิดความโรแมนติกกับภรรยาของตนเองกับสามีของตนเองและความถูกต้องทางศิลธรรมในเรื่องของเพศกับคู่สมรสที่พระเจ้าประทานให้นี่คือพระพรที่มาจากพระเจ้าครับให้เราดื่มน้ําจากถังเก็บน้ําของเราดื่มน้ําไหลจากบ่อของเราและไม่ควรให้น้ําพุของเราไหลพุ่มเพื่อออกไปนอกบ้าน ไม่ควรให้ทานน้ำของเราไหลออกไปที่ลานเมืองเพราะมันเป็นของเราแต่ผู้เดียวไม่ใช่ของคนแปลกหน้าอาเมน